วันนี้รู้สึกเสียงนกร้องสดใสนี่นะเพราะเหตุไรเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนีฝนตกเมื่อวานรู้เสียงนกมันก็ดีอกดีใจเหมือนกันเพราะมันอยู่ในป่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเวลาฝนตกเมื่อวานฝนตกโก้เทแรงเมื่อวานแต่เสียท่าไม่นานถ้าตกสักชั่วโมงได้ก็จะดีเหมือนกันนะ แต่ฝนตกไม่มีลมไม่มีฟ้าเมื่อวานตกแบบเทลงมาชุ่มช่ำเย็นไปหมดในวัดของเราก็เมืม่อวานหลวงพ่อให้พระไปในงานรถน้ำสลีละของหลวงปู่ทองพูล อำเภอไอจังหวัดบึงการวัดภูกระแตเห็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่านมรณภาพเมื่อวันก่อนเมื่อวานให้พระไปสิบรูปแล้วก็ถวายผ้าไตรสิบไตรแล้ผ้าขาวสิบไม้ปัดใจถวายไปเหมาสมทบจตีละงานของท่านสองหมื่นวัดของเรา แต่หลวงพ่อไม่ได้ไปเมื่อวานเพราะว่าสุขภาพหลวงพ่อไม่ค่อยดีเลยในช่วงนี้ถ้าหากวานั่งรถไปนานๆรถแอร์ไปนานๆไม่รู้ว่าปอดมันจะไปลักษณะยังไงต้องดูดูขนาดอยู่ในวัดก็อไอไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันวัด วัดไอกับคนแก่มันเข้ากันได้ดีนะพอมันเข้ามาแล้วมันไม่ยอมหนีง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อก็ยอมมาหลวงพ่อแก่แล้วนะลูกหลานนะอายุจะเข้าเจบเอ็ดเข้ามาแล้วไม่ว่าแก่ได้ยังไงเพราะนั้นหวัดไอกับคนแก่เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะเหมือนกับปีกับขวี่ลักษณะอย่างนั้นนะถ้าพอมันเข้ามาแล้วมันไม่หายไปง่ายๆ ถ้าว่าได้พักผ่อนบ้างเอาธนุเอาอกเอาใจมันบ้างธนุถนอมบ้างอมันก็จะหายได้ง่ายขึ้นฮะแต่ถ้าว่าเราใช้ร่างกายแบบไม่บัญญัติบัญยัติถูกแดดตากฝนไปเหมือนถึสมัยเป็นหนุบก็มีโอกาสถ้ามันตายได้ง่ายๆก็ล้มพ่อก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันอมันใจขาดปัดไปกระจบไปอันนี้มันพอ อหกอหักอหกหั ก, อหกออปอดบวมนิวโมเนียเข้าโรงพยาบาลสายสายยางแยงเข้าจมูกแยงเข้าปากเอยขนาดแยงของเล็กๆเข้าไปก็ยังพอแรงเลย อ, อันนี้ทางหลับตาเขาแยงสายเข้าไปนยจะดุ่งจะดุงจะเดิดทั้งตัวเลยเห็นแล้วมันทุกข์เหลือเกินฮะเอพราะนั้น เราก็รักษาลักษาไปแต่สุดวิสัยจริงๆก็อย่างวานะ่ะแต่ถึงยังไงใครจะไปแย่จะไปแย่คอเราก็แล้วกันน้าตายตายพังจบๆไปยังไงก็เกิดมาตายพอแรงแล้วหละ่ะ <c oughs> แต่นแะหลงพอกันเลยไม่ได้ไปเมื่อวานนี้พอดูสุขภาพตัวเองชักจะไม่ไหวถ้าไปก็ไม่ดูดูแลไม่ไม่ปลอดภยัยก็เลยให้พระไปตัวเองไปก็อย่างเก่านะั่นแะ ถ้าไปถึงแล้วก็ไปถึงแล้วก็นั่งเหมือนกระยองหลวงพ่อครู่งนั่งยองๆแบบเป่าคาถาฟุดๆเนหลวงปู่ลุกขึ้นมาได้เออเราก็จึงจะไปแต่นี้ไปก็อย่างเก่าแต่ทำยังไงได้มีแต่ ก, กาบเคาบรบคารวะอยู่ที่วัดของเราเออหลวงปู่เอ้ยผมก็ผมก็ไม่สบายเนอะธาตุขันของผมก็แย่มากช่วงนี้ออผมก็สงลูกน้องมาเคารบ คารวะแทนเนอลงปูเดอร์นะหลวงพ่อก็คิดได้เพียงแค่นั้นละ <c oughs> การที่ส่งลูกนอกมาไปถามมาไกลไหมวะลูกถามพระประมาณสี่ร้อยกิโลนะจากนี่ไปถึงบึงการทูกลับมาสองทุ่มเมื่อคืนนยะพระของเราไปรถตู้ไปนะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ พฤษภาคมพุทธศักราช2558วัดของเราในช่วงนี้ก็ น, น่นะมีฝนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรก็อยู่ในปกติก็ให้ระมัดระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนั่ น, นะช่วงนี้แต่พายุมันมารอบแรกแล้วต่อไปก็คงจะเบาๆลงกำลัง ตามปกติก็เป็นอย่างงั้นแหละครับถ้ามันมารอบหนึ่งแรงแรงแล้วรอบที่สองก็มันค่อยเบาๆลง <c oughs> แต่ถึงยังไงก็มัดระวังนะ่ะเราอยู่ไต้ฝ้าไต้ฝนอย่างที่ประเทศเนปานลหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อโอ้ขย่าครั้งก่อนเสียหายบ้านเมืองลาบเหมือนหน้ากลองนะ่ะแลมาอีกขย่าอีกรอบสองอีก แต่ก็ไม่เหมือนไม่แรงเหมือนรอบแรกแต่ถึงยังไงก็พี่น้องประชาชนขวัญหนีดีฟอลไปพอแรงแล้วจะมาเขย่าอีกรอบสองแต่แต่ถึงยังไงก็ง ย, นนง ย, กงงยั ง, ง, ยงว่าอองเหมือนกันเป็นเพราะเหตุอะไรแผ่นดินไหวก็พ่อว่าเปลือกโลกมันเลื่อนอย่างที่เขาว่านะแต่มันมาเลื่อนที่ยุค ข, ของเรา ยุกของเรามั น, มนเลื่อนแผ่นดินไหวในพระไตรปิฎกมีไหมก็มีเหมือนกันนะขะันธท า, ายาตยงลูกลานพระพุทธเจ้าประสูตรกับแผ่นดินไหวกว็ไม่ทำให้คนอื่นเสียหายนะคล้า <c> ย <oughs> ๆว่าเป็นบอกสัญลักษณ์เอกรักษณ์ระบบผู้ยิ่งใหญ่หมาเกิดแผ่นดินไหวให้ความร่มเย็นเป็นจุกต่อโลก มีแต่ว่าให้ชัดเทือนแผ่นดินไหวแต่ทุกวันนี้ก็คงจะมีวิทยุโทรทัศน์ประกาศไปทั่วโลกสมัยนั้นไม่มีวิทยุโทรทัศน์ธรรมชาติก็เลยบอกกล่าวให้คนทั้งโลกได้รับรู้รับทราบว่ามหาบุรุษเกิดขึ้นมาแล้วในโลกแผ่นดินไหวจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณก็นั้นก็แผ่นดินไหวอีก พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจักเจ้านั้นอีกแล้วก็พระพุทธเจ้าปรินิพานแผ่นดินไหวเป็นบอกกล่าวบอกข่าวให้แผ่นดินไหวทั่วกันแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อประเทศเนปาลอย่างที่ว่านะเขาพูดมาทั้งเขาก็พูดมาเรื่องแผ่นดินไหวก็พร้อมกันเขาก็พูดเกี่ยวกับ อะไรฆ่าสัตว์บูชายันเจ้าแม่กากีอย่างที่โบราณเอ๊ะยังมีอยู่เลยหลวงพ่อคิดว่านะบ้านเมืองเจริญนึกขนาดนี้ยังมีอยู่ลเลยเห็นเขาถ่ายอะไรออกมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูดูดว่าเพราบแหวมที่เขามายื่นให้โทรศัพท์ให้ดูลุงพ่อเออมันมีอยู่วะ คือการบูชายัญเราได้ยินแต่ว่าถ้าว่าอแต่ยินแต่เมืองไทยเขาลงข่าวกันใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าคนนี้ทําผิดนะคนนี้ทําผิดแล้วไปจับคนอื่นก็ว่าจับแพรบูชายัญคล้ายๆก็ว่าไม่ใช่ของจริงจับแพรบูชายัญอันนี้ก็นี่แหละคำว่าบูชายัญคํานี้เนี่ย ในครั้งพุทธการมีในพระไตรปิฎกเยอะเหลือเกินนะคณะสัทธายาธโยมลูกหลานอินเดียนี่แปลกเหมือนกันนะ <c oughs> ขนาดในครั้งพระพุทธเจ้ายังสงพระชนอยู่อ่าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีน่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารน่ะขนาดพระยาปะเปเสนที่โกศล น, น่ะอ่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงนะ เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ๆเนะ่เขายังมาเป่าหูยังจับสัตว์จับคนมาจะ บ, บูชายัน อ, อีกนยยคสมา น, นั้นเดือดร้อนไปทุ ก, ทกหัวและแห่งอก็ว่าฆ่าสัตว์บูชายัน เ, เพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์รูร้กลัวกลัวความวิบัติ กลัวความพิบัติจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับพวกเร า, เามีอะไรเกิดขึ้นแล้วน่ะไปบวงสวงเส้นสวงฆ่าหมูฆ่าอะไรหัวหมูหัวหหวัวลักษณะอย่างนั้นหัวควายลักษณะอย่างนั้นอ่ะเป็นการเส้นสวงเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้เศรษฐกิจตัวเองจะเดินรุ่งเรืองลักษณะอย่างนั้นอ่ะคล้ายกับว่าเป็น เป็นความเชื่อของศ า, าสนาศาสนาพราหมงในยุคสมัยนั้นแต่สิงนสมัยที่หรวงพ่อยกถึงคือพระเจ้าปเสณเนี่ยก็คืออะไรพระเจ้าปเสณเสด็จไปรอบเมืองเขาตกแต่งเมืองเน่ยคล้ายๆกับอย่างที่เป็นวันสำคัญของกรุงสาวฏีเนี่ยเขาก็ตกแต่ง ถนนหนทางปลูกปลูกกล้วยปลูกอ้อยผูกสแลนอย่างที่ควรเนี่ยประดับดอกไม้กล้วยไม้อะไรสวยงามให้เพื่อพระเจ้าเป็นดินเสด็จนรอบพระนครนะตอนตนี้พระเจ้าปฎเสนเนี่กันน่แหละขึ้นคอช้างช้างก็เป็นช้างเผือกอขึ้นคอช้างเสด็จรอบพระนครเสด็จเสด็จเสด็จไปเลยพอไป มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเหมือนกัน เ, เขาก็นุ่นเขาอยู่อยู่อยู่บ้านชั้นสองอยู่ในบ้านเขาเขาเปิดหน้าต่างดู เ, เขาเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสล็จเขาก็เลยเปิดหน้าต่างแย้มๆหน้าต่างดูพอเห็นพระญาปเสณก็นั่งนั่งช้างไปคอช้างไปพวกบริวารนะพอไป พอเลือบขึ้นไปไปเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ที่หน้าต่างบ้านชั้นสองน่ะพอเหลือบขึ้นไปไปเห็นหญิงหน้าเห็นตาเห็นหน้าเขาเน่ยเออก็มันคงไอ้ไอ้ความรักกิเลสราคะตัณหาเนี่ยพอเห็นสาวคนนั้นเธอมันปิ้งเข้าเป็นหัวใจเกือบตกคอช้างเหมือนกันเถอะ ก็ไม่ใช่ธรรมดาเด้ลูกศรของกรรมมกิเลสไม่ใช่ธรรมดามันยิงเข้าหัวใจของพญาประเสนปัญญาประเสนเกือบตกคอช้างเหมือนกันท่เออท่านี้ก็พอจะเด็ดครอบพนันครแบบตุปบตุเปยเหมือนกันท่านสอนเสียบอกเลยพอมาถึงเลยถามถามอมาอมัดอามัดที่อยู่ข้างๆถามเอ้ยอมามัดไปในระหว่างนั้นอ่ะถนนโค้งนั้นอ่ะ ตุดนั่นเธอเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเห็นพระเจ้าข้าเป็นไงเธอเห็นโอ้สวยมากแ่สวยนะสวยเออหนักไปไปถามดูสิเขามีครอบครัวไหมมีครอบครัวมีสามีหรือยังบอกมารีบมาบอกเรานะอมมาดคนนั้นก็จันไปนะ์่ะไปถามเขามีสามีแล้วหเห็นไอมพอมีสามีแล้วก็น่าจะจบเพียงขนาดเพราะเขามีสามีแล้วนะ พยายาระเสนไม่ลดละกว่านั้นอีกเล ย, เยต้องพยายามไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาให้ไดเ้เพราะมันเป็นสอนเสียบอกแลแ้วจะอจากนั้นก็ไปไปเรียกสามีเขามานเนี่ยนั่นก็ไปเรียกสามีเขามาตายลเลยจะไหนพาสามีเขาก็รู้ทันทีเลยตายเ ป, เป็นเพราะเมียของเราเนี่ยแหละพระเจ้าปเสนเป็นเหตุและขานี่ อ่าผลที่สุกฤเรียกมาก็หาเรื่องหาเล้าจนหลวงเจ้าพ่อจะไม่บรรยายในจุดนี้ให้มากนะ <c oughs> จนเอาถึงสามีเขามาเป็นทาหารเพื่อจะหาโทษไปสําสำเร็จโทษจะฆ่าทิ้งอ่ะและจะเอาเมียเขาน่ะ่ปะปะยาปันเสไม่ใช่ธรรมดานะ่ะ <c oughs> ทั้งที่ผู้หญิงเต็มบ้านเต็มเมืองนะทำไมไปหาคิดทำบาปถึงขนาดนั้นนะผลทีสุกฤตนะ หาเรื่องใส่จนบุรุษคนนั้นเนี่ยไปให้ไปเอาโน่นดินเหนียวดอกบัวในท่าจะว่าอย่างนี้ถ้าเดียวนี่กับนู่นไปให้ไปเอาดอกบัวอดินเหนียวอยู่เน่ะการเจริญ บ, บุรีมาให้ทันวันนี้นะะพูดนะใครๆว่าไปให้ไกลที่สุดถ้ามาไม่ทันคอขาดนะเพราะจะคนจะหาเรื่องฆ่ากันน่ะใช่ไหมละ่ะเพราะมีอำนาจเต็มที่น่ะ อันนั้นก็าทำยังไงได้พอไปถึงบ้านขนาดเมียกำลังต้มข้าวอยู่กำลังหุงข้าวนะข้าวมันยังพอกำลังเดือดเนี่ยบอกว่าเป็นไงยอดทีิรข้าวสุกหรื อ, อยังยากไม่สุกโอ้มาวะ า, าสุกไม่สุกก็ตักใส่ใบบัวให้ผมเลยเขาก็ตักใส่ใบบัวให้เลยรีบพอเลยดูสิ ขนาดข้าวยังไม่สุกตักใส่ใบบัวหอ่อเสร็จแล้ววิ่งเลยบ้างานะทั้งวิ่งทั้งเดินเนพะื่อจะได้เพื่อรักษาชีวิตของตนเองนะเพื่อไม่ให้ออกกลับมาให้ได้ให้ทันนะแต่คนหนึ่งหาเรื่องใส่อยู่แล้วนะไปก็ไม่ทันจริงๆนะ เ, เพอกลับมาถึงค่ำพอดีนะพอค่ำพอดีก็โยนดินเหนียวกับดอกบัว ดอกบัวเขียวนี่อยู่ในในในถิ่นนั่นเข้าไปในเมืองโอ้ยข้าพระเจ้ามาถึงแล้วนะแต่พระเจ้าแผ่นดินปิดประตูเมืองก่อนเวล า, าทั้งที่หกโมงปิดแต่มื่อนี้มันปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะั่นนะข้าพระเจ้ามาถึงแล้วอขอเทพพระเจ้าเหล่าเทวาอ า, อารักษ์ทางหลายมนุษย์ทางหลายเป็นสักขีพยานข้าพระเจ้าบุรุษคนนั้นก็โยน ดินที่พระเจ้าแผ่นดินต้องการกันดอกบวนข้ามไปกำแพงทางนู้นนะจากนั้นกันคนกลัวตายใช่ไหอโดยมากคนคนถ้าไม่มีความทุกข์เน่ยไม่รู้จักวัดเลยอันนี้เนะี่บุรุษคนนั้นก็เหมือนกันไม่รู้จักวัดวา่าศาสนาแต่นี่วันนั้นะพอตัวเองตกทุกข์แล้วตายข้าจะไปพึ่งใครเลยจะไปพึ่งทางนอกก็ไม่ได้ เห็นแต่วัดพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะนั่นะหอะบุรุษคนนั่นก็นเลยเข้าไปพึ่งพาอาศัยพระเนะ่ยเข้าไปนอนวัดนะวันนี้เหบุรุษคนนั่นก็นเลยเข้าไปนอนวัดเนดะีย๋ยวคงจะนอนไม่หลับตุ๊กตาเนะี่เพราะมันกลัวตาย เ, าเขาจะฆ่าวันพรุ่งนี้อยู่แล้วนะ่เะเอพอไปนอนวัดเสร็จแล้วก็ทั้งหลับทั้งตื่นนะส่วนพระเจ้าปเสนที่โกศล น, นี่ยก็นอนอยู่ในเมืองเอ้ย เราปิดประตูเมืองมันยังไม่เข้ามานะ่ะวันพุ่งนี้ก็นั่นแหละอถ้ามันยังเข้ามาแล้วก็ต้องจับมันสำเร็จโทษฆ่าทิ้งเอาเมียมันถ้าหากว่ามันหนีไปเลยก็แล้วไปเอาเมียมันเอาเมียมันเนี่ยปยาประสิทธิ์คิดได้เพียงแค่นั้นนะเพราะในสุดไอ้นั่นก็นเป็นนอนอยู่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จประทับอยู่นะพอพยาประสิทธิ์ก็ น, นอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนกันนะเออ ว่าจำเรจละคาวนียวันพุ่งนี้ก็คงจะจัดการตามที่ตัวเองต้องการพอตกกลางคืนมาดึกส ง, งัดประมาณเที่ยงคืนพวกคนหลับหั บ, บตื่นตื่นใช่มตื่นตื่นหลับหั บ, บคงจะไม่หลับละเพราะมันกิเลสราคามันเผาหัวใจเฮียร์พญระเสนก็เลยได้ยินเสียงขึ้นมากลางคืนนะเสียงกลางคืนขึ้นมาเพราะดืบดับ กลางคืนสงบสงบเงียบนิ่งเงียบได้ยินเสียงขึ้นมาเสียงดังฟังชัดเลยว่าะโทซานาโสเสียงสีสคำเออโทซานาโสพยาเปรเสียนสดุ้งสะดุ้งใหญ่เลยทีโอ้เนเสียงอะไรวาะ เอออย่างเ อ, อ้มันเสียงอะไรวะพอในส่วนก็นเลยพุ่งในเช้ามากันเลยเอ่อเรียกโปรโหิทพวกหมอดูหมอเดาหมอเกาขี้กากเข้ามาทีเียเออหมอโหนหมอทํานายเข้ามาเอ้เมื่อคืนอาจารย์นะผมนอนไปเออเมื่อคืนเนี่ยเสียงดังขึ้นมาเสียงดังฟังชัดนะเสียงชัดมากเลยเออเสียงอย่างไง พระเจ้าปัดเศษเก็บอกว่าทุสารโสทางทางทางพรามทางโลโอหิตตาจานทางพรามณ์ทั้งหลายแหละนะ่นี่การทท่าหลับตาเยี่ยงคิดดูตําราตัวเองเหมนคิดไปคิดว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะทําให้ราชสมบัติพังพินาศเลยแล้วเนะี่ยอ่ เสียงอย่างนี้นะเสียงอปมงคลเสียงดังเที่ยงคืนอีกต่างหากทำให้ลัชสว่างล่มจมจิบหายทีเดียวแหละเสียงอย่างนี้มันเสียงอปมงคลพระเจ้าเป็นเสียงใจฝ่ออยู่แล้วใช่ไหมเอ๊ะจะทำยังไงอาจารย์จึงจะใหะ้จึงจะหายจากสิ่งเหล่านี้ได้ทางอาจารย์ก็อน หาทางออกเหมือนกันท่านมันคนตามไม่จริงถามนี้มันไม่ต้องต้องไปถามพระพุทธเจ้าหรือถามพระหรหัสสาวกภูมิยานรัศจนะอันนี้ไปถามคนหูหนวกตาบอดเนี่ยมันก็ทำนายไปเรื่อยเลยท่นนี่แอพบพามาเรานั่นก็บอกอือทางออกก็คือนะต้องบูชายันนี่น่ะคำว่าบูชายันคำนี้เกิดขึ้นนะทำยังไงล่ะอาจารย์ <c oughs> เออ ต้องเอาม้าสีตัวช้างสีตัวเอเอวัวสีตัวควายสีตัวเออถ้าหาว่าเอาแต่สัตว์เอาแต่สัตว์ที่กินไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเอาสัตว์ที่กินได้ด้วยเออเพอเเอาแต่สัตว์ยังก็ไม่ได้ต้องเอาคนด้วยเออเศรษฐีสี่คนเสื้อประวงสี่คนเออชาวบ้านสีคนลักษณะอย่างไง เอาอย่างละสีละส่ละสี่ละสี่แต่นี่พอจับสัตว์ก็ไม่เป็นไรอ่เนี่ยพอจับคนเท่านั้นเนี่ยมันคนมันพี่มีมีพี่มีน้องเนี่ยแต่เนี่ยมีวงศาขนาญาติแเนี่ยเอะจับขโมาแต่เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองนัเนี่อคนก็แห่กันเป็นฝูงญาติพี่น้องเท่าไหร่ก็หลมกันไปหมดนร้องโหยร้องไห้ขอเถินขอเถินจะไปหาฆ่าคนได้ยังไงะ อแต่นี้พระเจ้าปเสนที่กสศวเขาไม่ได้เพื่อราชสมบั ต, ตบิต้องบูชาต้องบูชายันตามโหนต้องหมอดูต้องโหนเขาบอกไว้เลยนะต้องทําตามนี้ต้องจัดการตามนี้ทลนี้เราเอาเข้าจริงๆว่าโหมันโกราโหนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลอนางมันมนลิ ก, กาเนี่ยนางมันลิ ก, กาเนี่ยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสน เออมาก็ทราบข่าวได้ยินว่าคนสนันบันไหวออกมาเพอเอนางมาเลกาเห็นถามเขาน้องเป็นยังไงบอกว่าพระเจ้าเป็นดินจะบูชายันเพราะว่าได้ยินสุบินนิมิตเมื่อคืนเนี้ยเออได้ยินเสียงแปลกแปลกก็เลยจะจะบูชายันพระน า, นางมาเลกาก็เข้าไปกราบพระเจ้าประเสรนเนิฐนะจ๊ อพระเจ้าข้าทำยังไงพระองค์ทำยังไงโอ้มาลิกาเมื่อคืนน่เราฝันเราได้ยินเสียงขึ้นมาเที่ยงคืนเสียงแปลกมากเสียงดังฟังชัดเลยทุาสานโศนเพราะนั้นเราจึงได้ปรึกษากับพวกะนาจารย์พรามมหาสา ร, รพรามอยู่ในเมืองของเราเขาก็เลยแนะนำว่าต้องบูชายัญ นางมาเลกาโอ้พระองค์ทําได้อย่างไงในเมื่อฆ่าคนอื่นตัวเองจะพ้นพิษพ้นภัยมันไม่มีทางหรอกมันมีแต่ความจีบหายในเมื่อให้ทุกข์แกท่านทุกนั้นจะมาถึงตัวอีกเพราะฉนั้นอย่าทำในะสิ่งที่มันไม่ดีอย่างนี้มันฆ่าคนอื่นเขานะเขาก็ทุกข์เห็นไหมพี่น้องลูกหลานเขาร้องห่มร้องไห้กันไปทุกหัวและแห่งนะ เราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงสัตว์ก็เหมือนกันเขากลัวตายทุกตัวสัตว์จะไปฆ่าได้ยังไงไปฆ่าสัตว์เหล่านั้น อ, อ, อย่าทำเลยพระองค์นี่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารนะพร้อมกับพระหันตสาวกทําไหมไม่ไปปรึกษาท่านไปถามท่านดูสิทําไมถึงถามคนหูหนวกตาบอดถามพวกนี่นะพระพุทธเจ้าเราก็เคารพนับถือเลื่อมใสพระองค์อยู่ พระพุทธเจ้าตัตรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรวมเป็นพระหันพร้อมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมเราจะไปหาเชื่อกับคนหูหนวกตาบอดคนไม่รู้อะไรทำไมจะเชื่ออย่างาไปเถอะพระเจ้าปเสนโอใช่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเอาไปก็ไป จากนั้นก็เตรียมพลพัก mat. ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาหาบพิษมาอะไรข้าพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่กราบกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอืมมหาบพิษไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับการราชสมบัติไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันก็คือเนี่ยเสียงเมื่อวานน่ยเสียงเมื่อคืนนี่แะเสียงที่มันดังนั้ขึ้นมานั้นเพราะ สมัยสมัยก่อนสมัยกั้งพระพุทธเจ้ากัดสปะนะ่ยคือก่อนก่อนศาสนาของเราคือในพัตนกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กกุสันโธโกณัคมโนกัจจปโอโคตโมรเรานี่คือโคตโมแต่กัจจปโอเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ก่อนเราตถาคตเนะฮะถ้าถ้าจะเปรียบเทียบเดี๋ยวนี่ก็คือ น, นั่นแหะคือ พระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือนายกคนก่อนอต่อมากืคือนายกเดี๋ยวนี้รักษณะอย่างไั้นี่อคือปกครองอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์กค่อนก่อนก่อนแล้วก็องค์ต่อไปนี่คือพระศรีอริยะเมตโยพระศรีอานจะมาต่อจากพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งต่อไปอีกก็ยังมีอีกเป็นทอดแต่ในพรพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือโหตดมะแต่ ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจ ป, ป่นะมีบุรุษลูกเศรษฐีร่ำรวยเงินล้นหลามสี่คนเออี่คนนั่นก็มาปรึกษากันเอเราเป็นเศรษฐีวะเราจะหาเราจะหาความสุขในชีชวิตของเราได้ยังไงที่มีความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่ทา้าวอนเออคนหนึ่งก็เสนอเอเอตั้ง ตั้งบ่อนคาสิโนเล่นการพนันคนหนึ่งเออไปกินเหล้าเอาเหล้ามาสรุปแล้วก็คืออบายยมุกทางนั้นที่ปรึกษากันแต่คนหนึ่งเสนอว่าเออไปเอาผู้หญิงผู้หญิงไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าใครแล้วเอาเงินจ้างมาเลยเออเอามาปนเปื้อ เพื่อความสุขในชีวิตของเราเออทางเศรษฐีหนุ่มสี่คนน่นก็โอ้ใช่เหตุพ้องต ong กันเอออันนี้มีความสุขแน่วะ่ะเนี่ยเพราะมันกิเลสกามาลาคะมันติดพพติดชาติมันต้องหนมนานนะอพอเสนอครานี้ธนามันก็เข้าล็อกทันทีเลยพอเข้าล็อกได้นี่นก็เอา้าเศรษฐีหนุ่มทั้งหลายกันนะเอหลงขันกันใช่ว่าจ้างกันมาสิ มีแต่เรื่องจกลาโมกจกเปรตมีแต่เรื่องความชั่วเสียหายทั้งหมด เ, เรื่องการมม ก, กิเลส ท, ทั้งหมดเลยแต่เน่ยเนี่ยพระพุทธเจา้าพระอรหันต์สาวกพระพุทธเจ้ากัตสปะพร้อมกับพระอรหันต์ในยุคสมัยนั้นคําว่าไปทําบุญทําทานไม่มีไม่มีในหัวใจของเศรษฐีหนุ่มเหล่านั้นเลยมีแต่นี่แหละอบายยมุกหมุกมุ่นในเรื่องการมมค ก, กิเลส ไม่ว่าลูกใครไม่ว่าเมียใครที่สวยๆงามๆงามเงินถมเข้าไปผลในสุดมันก็จะปัญหายากอะไรถ้ามันมีเงินเท่านี้ผลในสุดเน่ยอายุยืนทั้งสองหมื่นปีเลยอายุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตตาปะอายุยืนนะคนสมัยนั้นในตอนนั้นเนี่ยว่าถ้าทําความชั่วถ้าทําได้มากๆอายุยืนนะความชั่วก็มากที่ถ้าว่าคนอายุยืน ถ้าทําแต่คุณงามความดีความดีก็มากแคเพราะทําแต่ความดีอันนี้สีหนุ่มนั่นน่ะอายุถึงสองหมืนปีทําแต่ความชัว่วความชั่วมากขนาดไหนเี่ยมันพอกผูนใช่ไหมพอในที่สุดตายทําความชั่วไม่ใช่ตายไม่เป็นนะตายเป็นเหมือนกันนะพอตายทั้นนั่นแหะลงไปลงเออลงอเวจีมหานรกลงนรกแทนตกนรกทั้งสี่คน ไปด้วยกันเพราะมาทำกรรมเหมือนกันเลยไปด้วยกันพอลงตกนอกเออพอลงไปในพื้นแล้วก็หมุนขึ้นมาเหมือนกับเราต้มข้าวเหมือนกับเราต้มข้าวแล้วแต่นั้นะเม็ดข้าวมันถูกความร้อนข้างข้างล่าง ม, มันกระดันขึ้นมาใช่ไหมมันก็นลอยขึ้นมาข้างบนแล้วฉันก็หมุนลงไปอีกเห็นไหมหมุนขึ้นมาอีกเอหมุนขึ้นหมุนลงแต่ท่านบอกว่าขนาดหมุนขึ้นหมุนลงเลย เป็นหมื่นปีเพราะนะั้ยังค่อยหมุนขึ้นมาเมืองมาถึงปากนรกไดนะ้เนี่ยพอมันหมุนลงไปมันค่อยหมุนขึ้นมานะพอถึงปากนรกพอพ้นปากนรกน่ยโผล่เห็นกันอสัตว์นรกสี่คนโขงน้ําน้ําของมันน้ําของไม่ท่วมปากมันโขงไม่ท่วมปากสัตว์นรกมั้ก็เลยโผล่ขึ้นไปเห็นกั น, น ค, คิดจะกล่าวคําว่าเอ้ยถ้าเราได้เกิดมา ต่อไปภายภาคหน้ากรรมชั่วอย่างนี้เราจะไม่ทําจะดีกว่าอันนี้เราทำความสั่ยเสียหายยังความชั่วอย่างมากๆที่เราเกิดเป็นเศรษฐีเอาเงินเอามาใช้ถลุงเล่นทั้งที่พระพุทธเจ้าพระหารตสาวกยังมีอยู่แต่เรากลับแต่ทาแต่ความชั่วหน้าเมื่อเราพ้นจากนารกแล้วเราจะไม่ทําความชั่วอย่างนี้อีก มันทุกจริงๆฮนะคือเขาเขาอยากจะพูดคำนี่แหละ เ, เ ค, คือคือคือบรรยายความทุกข์ตัวเองที่อยู่ในนรกนะแต่มันพูดไม่ได้เนอมันพูดไม่ได้เพราะมันมันขึ้นจังหวะจังหวะมันน้อยเกินไปไม่มีเวลานะมันโถขึ้นมามุน ล, ลงอีกเสัตว์นรกเหล่านั้นก็นเลยกล่าวคนละคาถากันทุสะนะโศนะเนถ้า ต่อเป็นประเด็นเข้ามาแล้วก็คือคำนี่แหละเมื่อเราพ้นจากสัตว์เมื่อตกนรกแล้วเราเกิดได้เกิดในภพชาติต่อไปเราจะทําแต่ความดีเท่านั้นลักษณะอย่างนั้นแต่สัตว์นรกเลานนี่ยก็เลยหมุนลงไปอีกพระเจ้าประเสียนได้ยินเสียงแต่ทุษนะโสนั่นก็เลยไม่สบายใจพระพุทธองค์บอกว่านี่นะมหาบุพพิษสัตว์นรกนั่นที่เขาพูดขึ้นมา สีส่สสี่คนสี่คำท่านเองได้คนละคำอ่ะเข า, าก็หมุนลงไปสู่นรกอีกแล้วเ <_ d ata> พราะนั้นเรื่องกรรมชั่วเหล่อนัอย่าทำดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็นเนี่ะไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะนั่งอยู่ข้างๆแถบๆนั่นอ่ะพอได้ยินคำนี้ขึ้นมา <_ d ata> อใช่แล้ว <_ d ata> ข้าพระองค์ที่ถกทุกข์ได้ยากเพราะเพราะเรื่องเรื่องอย่างนี้แหละเกิดขึ้น อข้าพระ อ, องค์ไปเมื่อวานไปทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเลยพระเจ้ า, านะ้าพหน่อเด็กไอ้หนุ่มคนนั้นกับเมื่อเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นก็บใกล้ๆนะั้ขีมข่ม้าขี่ม้าไล่ตามเร็วเง้นเถอะทีนี้จากนั้นพวกพระเจ้าประเสียงก็เลยยอมรับจะไม่ทำอีกกลับไปเลยไปปล่อยปล่อยพวกสัตว์พวกคนพวกอะไรขึ้นมา คนทั้งหลายก็โอ้ยกย่องเชิดชูบูชาถ้าหาว่าไม่มีนางมัลเลกาเข้าไปห้ามปามแล้วเข้าไปทําความเข้าใจพวกเราเ น, นี่ยตายแน่ข่าวนีนะ้นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาในครั้งพุทธกะเจ้านะขนาดพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นะเทศนาว่าการให้คู่คนขนาดพระยาไปเสียอกเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ๆนไะอ้พวกกิเลส ความกลัวตายก็ดี <c oughs> เรื่องต่างๆมิจฉาทิฏฐิความเนี้มันน่ากลัวจริงๆนั่นนะพระพุทธเจ้าก็บอกท่านก็เลยยกเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอาพระเจ้าประเสิทธิ์ก็นอนไม่หลับใช่ไหมละ่ะอแล้วก็ บ, บุรุษคนนั้นก็เดินทางไกลอไปเอาดินเหนียวมาอพระพรทธงบอกว่าคนที่นอนไม่หลับ รู้จิกรู้สึกวเวลาตีหนึ่งยาวนานฮะเวลาตีหนึ่งยาวนานคือหนึ่งอายุยาวนะคนได้นอนหลับไหมแปลกทําไมมันแจ้งเร็วนักสว่างเร็วนักนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยฮนงะแต่ถ้าว่าคนนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหทําไมมันนอนนอนไม่หลับนะี่ยลาตีหนึ่งยาวนานเหลือเกินคนที่เดินถ้าคนนอน <c oughs> ที่คนนอนไม่หลับรู้สึกว่าเลาตีหนึ่งยาวนาน คนที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วจะรู้สึกว่าโยตหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่พวกเราที่เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ยาวนานกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบนะนี่แนหะ <c oughs> อยู่ในปัตตัยพิดกคนที่นอนไม่หลับลาตีหนึ่งยาวนานคนที่เดินทางเมื่อยล้าแล้ว ยอดหนึ่งคือ4ี่ร้อยเส้นเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่คนที่พวกเราที่เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นสุดยาวนานกว่านั้นเพราะนั้นท่านจึงให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสิ่งนี้ที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนั้นจะตามสนอง อักตังทุกตังเส้ยโยปชาตปติดุกตังยยรตกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเห็นไหมสัตว์นรกเศรษฐีหนุ่มสีคนน่นะพอทำกรรมชั่วเดี๋ยวนี้ก็ยังตกนรกอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใคร นั่งภาวนามียานะครัม อ, มองมองดูก็ได้เนี่อยู่ภูมิไหนแต่ก็จะไปดูดีกว่านี่ยดูความชั่วของคนอื่นนะเผื่อเผอไฟในโลกจะแลบไหม่ตาเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้น อ, อให้ดูเราดีกว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าไปเห็นแก่โรโหัโงกนันนะจะไปเห็นแก่เงินแก่ทองจะไปเห็นแก่ลาบ แ, แก่ยศแก่ชนะเส ร, ริอ ให้เห็นแก่ทำรรให้เห็นแก่หลักเหตุผลให้เห็นแก่ทำให้เห็นแก่ความถูกต้องอันไหนเป็นธรรมควรจะเดินสิ่งนั้นควรจะปฏิบัติอย่างนั้นให้เป็นธรรมให้ถูกต้องให้อยู่ด้วยการร่มเย็ยนเป็นสุขความว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบกันอย่างที่ชายหนุ่มอย่างพยาปเสนจะทํากรรมชั่วอย่างนั้นอย่าทํำซะเลยดีกว่า เมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านอ่นนั้นคือตําลาเรียกว่าชาดกหรือนิทานมันเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะอถ้าพวกเราไปทําอย่างนั้นอันนั้นเราก็เดินตามหลังเขานะเราก็ชั่วอย่างเขาเดินตามหลังเขาถ้าเรารู้แล้วว่าอันนั่นคือความชั่วพระพุทธเจ้าห้าม เป็นหวนทางที่ไม่ดีการฆ่าสัตว์บูชายัญ น, นางมัลลิกาบาอกให้ทุกแก่ท่านฆ่าคนอื่นแล้วตัวเองจะมีความสุขนะมันมีที่ไหนโบราณการเขามีที่ไหนเขาพูดไว้ที่ไหนไปฆ่าคนอื่นแล้วเพื่อจะยกตัวเองให้มีความสุขเมื่อฆ่าคนอื่นเมื่อทากรรมลงไปแล้วทากรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลนะตนเอยตนเองนั่นแหละ จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะออวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดออสำหรับพวกเราคณะทายาทโยมโลูกหลานทุกคน เ, ออเพื่อเป็นให้เราไม่ได้ตำหนิผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเราตำหนิกรรมชั่วความชั่วถ้าใครก็ตามถ้าทากรรมชั่วความชั่วแล้วนั่นแหละเราตาหนิจุดนั้น ตำหนิกิเลสนะเรา เ, เชิดชูบูชาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่มีเหตุผลจะทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขนะเราเชิดชูบูชาจุดนั้นถ้าจุดไหนก็ตามทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายทุกแก่คนอื่นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาหาตัวแล้วเป็นยังไงในเมื่อทาทุกให้กับเขาเขาทุกจะมาทุกนั้นมาหาตัวลเองแล้วเป็นยังไง ตัวเองหัวเราะได้ไหมหัวเราะไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเมื่อทำให้กับเขาเขาก็หัวเราะไม่ได้ในเมื่อกรำช่วงมาหาตัวเองตัวเองก็หัวเราะไม่ได้เมื่อความทุกข์เขามาถึงเพราะนั้นจริงที่มันไม่ดีอย่าทำนั้นดีดีตามหลักธรรมคำสอนพุทธะนะรับพรอนุโมทนาให้พร